เรื่องอคันตุกะภิกษุพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบภิกษุอคันตุกะหลายรูปได้ยินว่าพวกภิกษุจําพรรษาอยู่ในปัจจันตนครแห่งหนึ่งผาสุกอยู่เดือนแรกเดือนที่สองจนมาปล้นชาวบ้านอันเป็นที่โครจรบินทบาทจับชาวบ้านไปเป็นเฉลย ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านพากันซ่อมแซมป้องกันบ้านไม่มีโอกาสอุปถาบบำรุงภิกษุหาความสำราญไม่ได้จึงพากันไปเข้าเฝ้าพระศัสดากราบทูลให้ทรงทราบถึงสาเหตุที่หาความสำราญไม่ได้พระองค์จึงทรงตรัสว่าช่างเถอะภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้คิดเลยธรรมดาว่าความอยู่เป็นสุขสำราญตลอดการเป็นนิจ เป็นสิ่งที่บุคคลหาได้ยากภิกษุควรรักษาอัตภาพนั่นแหละให้เหมือนกับพวกมนุษย์เหล่านั้นคุ้มครองนครฉะนั้นย่อมควรดังนี้ล้าจึงตรัสพระคาถาว่าท่านควรรักษาตนให้เหมือนกับพวกมนุษย์ป้องกันปัญจตนะนครทั้งภายในและภายนอกฉะนั้น อธิบายภิกษุควรรักษาตนคือทำให้มั่นคงทั้งภายในและภายนอกจงปิดทวานทั้งหอันเป็นภายในไม่ปล่อยสติรักษาทวานทำอายตนะภายในหมีตาหูเป็นต้นเหล่านั้นให้มั่นคงไม่ถือเอาโดยประการที่อายตนะภายนอกหกยึดถืออยู่มีรูปเสียงเป็นต้นจะเป็นไปเพื่อกระจัด อายตนะภายในเสียไม่พึงละสติที่รักษาทวารเพื่อไม่ให้อายตนะภายนอกเหล่านั้นเข้าไปประพฤติอยู่ชื่อว่ารักษาตนไว้ฉันนั้นขณะเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านี้ไม่พึงก้าวล่วงพระองค์ท่านไปเสียขณะได้สา ม, มาทิฏฐิขณะไม่ขาดแคลนอายตนะทั้งหลายขณะนั้น ไม่พึงก้าวล่วงท่านทั้งหลายไปเสียชนเหล่าใดก้าวล่วงท่านทั้งหลายไปคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิอายตนะทั้งหลายชนเหล่านั้นเบียดเสียดกันในนรกแล้วในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นสลดสังเวชตั้งอยู่ในอรหัตแล้วดังนี้แหละ